ก็ก็เสริญพร อ, อืมขอแจ้งข่าวก่อนวันนี้ที่มีการเปิดห้องคลับตอน10โมงนะบันทึกเสียงเรียบร้อยแต่ผิดพลาดทางเทคนิคคือไม่ปิดเพลงอ่าเพลงต้นรายการที่เป็นดนตรีนะไม่ปิด พอไม่ปิดมันก็ผสมกับเสียงที่เราที่เราพูดคุยตกลงเสียงดนตรีมันจะกลบกลบเสียงที่เราคุยกันเกือบหมดเกือบไม่ได้ยินก็เลยฟังย้อนหลังไม่ได้จริงๆตอนที่คุยสิบโมงมันก็เป็นธรรมะสดๆ ด, ดีนะเออมีการรู้ชี้แนะให้รู้ตัวปัจจุบันแต่ก็ เอออะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะหวังไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้หละโยมชีวิตเป็นสิ่งที่หวังไม่ได้ไม่รู้มันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ไม่รู้มันจะตายวันไหนเมื่อไหร่นั้นหวังไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยธรรมชาติพวกนี้มันก็สอนนะสอนเรื่องความไม่แน่ไม่นอนสอนเรื่องความไม่เที่ยงปรากฏต่อหน้าต่อตาเห็นเห็นกันอยู่ แต่ทีนี้ถ้าเราคอยสังเกตคอยพิจารณาเนี่ยมันก็เห็นธรรมนั่นแหละเห็นธรรมะเห็นสัจจะความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะ น, นะมันมีที่เรียกว่าสัจจะเนี่ยมันก็เป็นความจริงในเรื่องของใจลักษ์อันนี้ก็เป็นจริงเหมือนกันคือจริงใจลักคือว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมัน มันมีความจริงของมันคือมันมีความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่จริงแบบนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่จริงแท้แทจริงแท้เนี่ยต้องต้องพ้นจากความเป็นไรตรลักษณ์คือไม่มีลักษณะปรากฏขึ้นนะไม่มีไม่มีลักษณะการเกิดไม่มีลักษณะที่เออเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เน่ย แล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นอนัตตาเป็นนิพพานเนี่เออถ้าพูดถึงนะสูงสุดจะจะทำแท้สูงสุดคือนิพพานคือไม่เป็นอะไรนะไม่มีลักษณะไม่มีลักษณะการเกิดไม่มีลักษณะการเสื่อมไปแล้วก็พ้นไปจากความเป็นอัตตาและอนัตตาแต่ก็มีข้อถกเถียงนะบางคนก็พูดถึงว่านิพพานเป็นอนัตตานะผู้รู้ทั้งหลายก็ ว่านิพพานเป็นอนัตตาเพราะไม่ใช่ตัวตนแต่ผู้รู้บางท่านบอกว่านิพพานคือนิพพานจะเป็นอัตตาก็ไม่ใช่จะเป็นอนัตตก็ไม่ใช่ทีนี้เราจะเชื่อใครละ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แค่ได้ยินพอเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปไปหมายว่าเป็นอะไรเอาแค่ว่าพ้นทุกข์แล้วก็พอแล้วเอาแค่พ้นทุกข์ก็พอแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องเป็นนิพพานไม่ต้องอะไรหลวงพ่อเทียนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะเหมือนกับว่าท่านบอกว่านิพพานนิพนธ์ไม่ต้องไปนสนมันหรอกเอาแค่ไม่ทุกพ้นทุกแล้วก็พอแล้วอืมงั้นกน็บางทีเนาะพวกคําพวกอะรเหล่านี้มันเป็นสมมติบัญญตัติแต่ว่าโดยสภาวะเนี่ยเอผู้ที่พบแล้วเข้าถึงแล้วก็แล้วแต่จะบัญญัติเนะว่าเป็นอะไรแต่โดย โดยสัจจะของมันอะ่ะมันก็ไม่ได้พูดสักคำหนึ่งว่ามันเป็นอะไรที่พูดพูดกันก็มนุษย์ตรงนั้นไปไ ป, ไปตั้งเอาไปบัญญัติเออดังนั้นสิ่งที่เราที่เราเกิดมาในโลกนี้ยบางทีก็อย่างว่าเนาะไอ้ภาษาบัญญัติเนี่ยมันทาให้เราเข้าไม่ถึงสัจจะเพราะว่ามันไปติดบัญญัติเสีย ก, ก่อนอืมก็เลยเข้าไม่ถึงปรมัติ์เข้าไม่ถึงสัจจะ แต่ก็ถ้าเราศึกษาก็โอเคแหละถือว่าบัญญัติเป็นแค่ชื่อเรียกขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้จักสิ่งที่ที่มันมีอยู่แต่มันไม่มีชื่อเรียกเช่นสมมติพูดถึงพูดถึงเกลือเนาะเกลือแกงเนี่ยเกลือเนี่ยจริงๆโดยประมัติก็คือสิ่งสิ่งนั้นแหละแต่พอสมมติเขาก็เรียกว่าเกลืออะ ทีนี้ถ้าคนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเกลือหมายถึงว่าไม่เคยเห็นไอ้ไอ้ความเป็นเกลือนะอืมพอพูดถึงเรื่องเกลือเขาก็เข้าใจไม่ได้แล้วก็จะถามกันไปว่าเกลือเป็นยังไงอะ่ะอืมไอคนที่เห็นเกลือมาแล้วก็อธิบายดิยบอกว่ามันเป็นเม็ดขาวๆแล้วก็ถ้าชิมเนี่ยมันจะเค็มอ่ะอันนี้คนที่ไปพบมาแล้วไปพบเกลือมาแล้วนะทีนี้คนไม่เคยพบเกลือนะ่ะโยมดูสิถึงเราอธิบายเท่าไหรอ่อ่ะ เขารู้ไม่ได้อะเขารู้ไม่ได้เลยอย่างดีก็คือเหมือนกับมโนอ่ะคาดคะเนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้คนที่รู้แล้วพูดให้ตายแต่คนที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้มันก็เหมือนกับสภาวธรรมธรรมะนี่แหละยมธรรมะเนี่ยที่เราพูดถึงกันเนี่ยเพราะว่าเอาสมมติมาพูดเนะเาะเอาคาสมมติมาพูดแต่โดย โดยที่มันเป็นสภาวะธรรมจริงๆอ่ะถ้าคนที่เหมือนกับว่าไม่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักอธิบายเท่าไหรก่ก็ก็ไม่เข้าใจอืมมันจริงนะมันเหมือนกับอธิบายเท่าไหร่ก็เข้าใจไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยก็เลยเหมือนกับถ้าพูดถึงอ่ที่มีการกล่าวไว้ว่าบัวสี่เหล่าเนาะบัวสามเหล่าเนี่ยอืมไอ้เหล่าที่เป็น สมมติว่าบัวบัวหล่าที่หนึ่งเนาะบัวที่แบบว่าเออพร้อมจะจะบานแล้วพ้นน้าแล้วพร้อมจะบานอะไรเงี้ยพูดพูดหนึ่งคำสองคำก็เข้าใจเลยที่เข้าใจเพราะว่าเขารู้จักสิ่งสิ่งนั้นแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่แจ้งว่ามันคืออะไรมันเป็นอะไรแต่พอมีผู้มาชี้บอกนิดเดียวแค่นั้นก็เลยบานเลยส่วนบัวชั้นลองลงไปนะบัวไม่รู้เขาบัวอะไรบ้างไม่รู้แหละแต่ว่าเอาเป็นว่าบัวแต่ละ แต่ละเราอะนะระดับปัญญาไม่เท่ากันบางคนก็ขยายความนิดหน่อยก็เข้าใจบางคนทั้งขยายความทั้งยกตัวอย่างก็ไม่เข้าใจบางคนยกแม่น้าทั้งห้ามายกมาทุกเรื่องแต่ก็ไม่เข้าใจนะแตก่ก็เลยกออ็พระพุทธเจ้าก็คงโปรดได้แค่เท่าที่ได้อะไรนะเหมือนกะับพวกเราเนะีนะ่ยแหละทีนะ่คนะุยธรรมะเนาะก็ เนี่ยมันก็พูดยากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกตัวไว้ความคิดเห็นของคน่ะมันก็คือสังขารเท่ากันผู้บรรยายธรรมะก็เป็นสังขารคือพูดไปด้วยสังขารปรุงแต่งแต่กําลังพูดถึงอีกสิ่งสิ่งหนึ่งนะแล้วคนถามก็กําลังถามก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้รู้จักอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดเขาบอกก็เลยก็เออต่างคนต่างสังขารกันก็รู้สึกตัวไปอืม มันมีพูดถึงความจริงนิดหนึ่งนะความจริงกับความจำออจริงจริงเรื่องพวกนี้นะถ้าไม่มีผู้บอกเนี่ยมันก็แยกไม่ได้นะว่าความจำกับความจริงเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะความจำกับความจริงเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบางคนไปไปจำมาแล้วก็เข้าใจผิดว่าเป็นเป็นความจริง อ, อ่าเป็นความจริงทั้งทั้งที่จำแต่ผู้รู้ ท่านก็บอกว่าอันนั้นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่รู้จริงแต่มันเป็นรู้จากการจำเรื่องนี้หลวงพ่อก็ได้ความกระจ่างก็จากาหลวงพ่อเทียนคือได้ฟังซีดีของท่านนะท่านก็พูดถึงเรื่องเกลือนะมีการคุยกันว่าเกลือมันเค็มไหมอ่ะทีนี้ถ้าพวกเราได้รับคาถามแบบนี้จะตอบว่ายังไงบางคนบอกว่าเกลือเค็ม บางคนบอกว่าอืมถ้าเป็นถ้าตอนนี้ตอนนี้ไม่เค็มยมดูติเกลือสิ่งเดียวกันนะ่ะแต่คําตอบมีตั้งสองคาตอบผู้ที่บอกว่าเกลือเค็มอธิบายว่ายังไงผู้ที่บอกว่าเกลือไม่เค็มอธิบายได้ยังไงก็ปรากฏว่าผู้ที่บอกว่าเกลือเค็มก็บอกว่าก็มันเค็มจริงๆอะ่ะ เนี่ยเคยกินมาแล้วเคยแตะเคยชิมมาแล้วมันเค็มจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลือมันจึงต้องเค็มอันนี้เหตุผลของผู้บอกว่าเกลือเค็มฟังดูมันก็เออก็มีเหตุผลคล้อยตามได้ว่าเออใช่เกลือเค็มแต่ไอคนที่สองที่บอกว่าตอนนี้ไม่เค็มเออต้องฟังเหตุผลว่าทำไมไม่เค็มก็ตอนนี้บอกไม่ได้ชิมเกลือไงเกลืออยู่ในกระสอบอยู่ในนูน่นอยู่เลย แล้วก็แต่ก็ไม่รับรู้ว่ามันเค็มหรือไม่เค็มเพราะมันอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่เค็มไอ้คนหลังเนี่ยตอบอย่างปัจจุบันขณะโยมพอมองออกไหมว่าทำไมตอบจึงเรียกว่าตอบปัจจุบันขณะอ่าก็ไอ้คนแรกเนาะตอบแบบจำได้คือเคยชิมเกลือมาแล้วนะเคยชิมเกลือขณะที่ชิมอะ่ะใช่เค็ม แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ชิมไม่มีเกลือแต่จำได้ว่าเกลือเค็มอย่างนี้เรียกว่ารู้แบบจำได้ซึ่งจะมีความต่างกับรู้แบบปัจจุบันนะไอคนที่สองเนี่รู้แบบปัจจุบันก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยไม่มีเกลือนะอยังไม่ได้ชิมก็เลยบอกว่าไม่เค็มก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้า ปัจจุบันเอาเกลือมาให้ชิมดิแล้วก็จะรู้เลยว่านั่นแหละเค็มการที่รู้ปัจจุบันนั่นแหละคือเป็นการรู้จริงกว่าแบบรู้รู้จำเออทีนี้เราก็มาดูในสังคมชีวิตทุกวันนี้แหละไม่ว่าจะเรื่องอะไรหรอกส่วนใหญ่คือรู้จำแต่เข้าใจผิดว่ารู้จริงแล้วก็มาเถียงกันคอเป็นเอ็นอีกคนหนึ่งมีปัญญามากแยกแยะได้ว่าอะไรรู้จาอะไรรู้จริง แต่อีกคนหนึ่งปัญญาน้อยกว่าแต่ก็ยังยังเถียงอยู่ว่ารู้จริงนะแถมยังเอาหลักฐานงัดมาให้ดูอีกต่างหากว่านี่นี่นี่เขาเขียนว่าอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้พวกเนี้ยยังไม่ใช่รู้จริงหรอกรู้จริงคือต้องเกิดการผัสสะขึ้นมาในขณะที่ผัสสะเนี่ยมันก็จะมีการรับรู้รับรู้ถึงสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรคณะผัสสะ แต่ทีนี้บางเรื่องมันไม่ใช่ขนาดผัสาสานี่มันผั ส, าสมาตั้งนานแล้วแต่ก็จำทีนี้พวกยมโยมฟังตอนนี้อย่างน้อยถ้าคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็กอย่างน้อยก็ได้เกิดปัญญาแล้วว่าอ๋อไอ้รู้จำกับรู้จริงรู้จริงในขณะปัจจุบันมันต่างฟ้ากับดินเลยทีนี้ที่เราเน้นหนักเน้นนักเน้นหนาเนี่ยเรื่องรู้ตัวปัจจุบันเนี่ยเพราะอะไรเพราะกาลังอยู่กับความจริง ไม่ได้อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตอดีตก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วแล้วก็มีความจำได้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ท, ที่เอามาพูดเอามาเล่ารวมถึงสภาวธรรมต่างๆมันเคยเกิดก็เรียกว่ามันเคยเกิดแต่ตอนนี้มันดับแล้วแต่สัญญาจำได้ก็เลยว่าตัวเองรู้จริงจริงอะไรก็รู้จำรู้จริงแค่ขณะปัจจุบันตอนน้นแต่มันหมดแล้วดับแล้ว ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่รู้จริงแล้วมีแต่รู้จำแต่ผู้ที่ฝึกรู้สึกตัวเนี่ยเนี่ยจะที่หลวงพ่อเนี่ยที่คุยกันนักกันนาเนี่ยรู้ตัวเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมล่ะมันตัดอดีตอนาคตได้เลยอะพอรู้ตัวปับ๊บโอ้ยมันรู้เลยว่าอาดีตก็เป็นของไม่มีอยู่จริงอนาคตยังมาไม่ถึงพอรู้ตัวปับ๊บมันมีแต่ปัจจุบันขณะชีกเดียวแล้วมันจะทุกข์ได้ยังไงอะ เพราะนั่นที่ทุกๆทั้งหลายเน่เกิดจากความจำแล้วก็มาคิดนะจำแล้วเอามาคิดแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าปัจจุบันกําลังคิดอ่าก็เลยเข้าไปอยู่ในความคิดคิดอย่างไงมันก็ให้ผลอย่างนั้นนะคิดให้เป็นสุขมันก็เป็นสุขคิดให้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะรู้ไม่เท่าทันความคิดความคิดก็หลอกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาความจริงมันไม่ได้เป็นจริงหรอก มันก็เป็นจำแต่รู้ไม่เท่าทันว่าเออมันเป็นเป็นความจำเป็นความคิดแล้วก็ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์แต่จริงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ก็ยังไม่ใช่จริงแท้อีกอเพราะว่ามันเกิดแล้วก็ต้องดับไปทีนี้ถ้าใครเห็นภาพอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าโโลกนี้มีแต่ภาพมายานะภาพมายาหลอกลวงไม่มีไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นจริงแท้เลย เกิดดับมีแล้วหมดไปหมดอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ปัญญานะเออฟังสิ่งที่ไม่เคยได้รู้ได้ยินถ้าฟังใหม่มันก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาเนี่ยก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะเท่ากับว่าต่อไปอะไรเกิดขึ้นก็คือรู้ทันว่าไอ้ขณะที่กำลังปรากฏเนี่ยถึงมันเป็นจริงในปัจจุบันแต่ก็มันก็ไม่จริงแท้คือมันก็หมดไป อ, อ่า ก็เปนเป็นแค่เป็นครั้งเป็นคราวมันจรมาเนาะจรมาให้รับรู้รับทราบแล้วมันก็จรไปนะจอจรไปหมดเลยโยมทุกอย่างอะ่ะถ้าไล่เนี่ยเรื่องอะไรละ่ะตั้งแต่จะยกตัวอย่างอะไรก็ได้จะเห็นความจริงว่ามันจรหมดแต่คนที่เห็นความจริงได้ยากว่ามันจรก็คือไอ้ตัวเรานี่แหละไอ้ตัวเราเนี่ยเหมือนกับทําไมเกิดมามไม่เห็นตายสักทีก็ยังอยู่เนี่ยยังอยู่เนี่ยยังอยู่เนี่ยใช่ไหม <laughs> เรายัางไม่ตายเรายัางไม่ตายอันนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมันไม่เห็นการตายเพราะเหตุว่ามันยังเป็นกลุ่มก้อนอยู่นะเช่นมาดูร่างกายอย่างนี้เนี่ยร่างกายมันยังไม่ตายเลยยังอยู่เนี่ยยังหายใจอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงก็คงมองไม่เห็นลักษณะของมันนะก็เลยเป็นความเข้าใจว่ามันยังไม่ตายแต่ถ้าเราจําแนกแจกแจงเนาะแยกแยกชิ้นส่วน ถลงออกมาเนี Plus, so, union, Empress, windows, ่ยแยกเป็นแต่ละส่วนเนี่ยก็จะพบว่าไอ้แต่ละส่วนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันหมดไปตลอดสมมติหลวงพ่อจะแยกในส่วนของร่างกายนะร่างกายเนี่ยเอาสมมติร่างกายเอาเอาสิ่งที่เห็นด้วยตาเป็นรูปก่อนไอ้นีเราดูนะว่ารูปร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมล่ะรูปร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยรูปเดินพอตามองเห็น แสดงนขณะที่เดินเนี่ยแสดงว่าขาเนี่ยก้าวไปแล้วขาก็สลับนี่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วรูปเก่าเปลี่ยนไปรูปใหม่เกิดขึ้นรูปเก่าเปลี่ยนไปรูปใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวเราก็เคลื่อนไหวทั้งตัวหันซ้ายเลยขวานี่รูปเปลี่ยนหมดเลยรูปร่างกายนะเปลี่ยนหมดรูปเดิมหมดไปรูปใหม่เกิดขึ้นรูปเดิมดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่คนเขามองไม่เห็นเพราะว่าเ้ามองไอ้ตัวรูปแบบทังก้อนแต่เขาไม่มีตัวเปรียบเทียบว่า เออร่างกายเนี่ยมันคงที่ไหมล่ะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกั บ, บ, บอะไรก็ได้กับตําแหน่งที่อยู่ก็ได้ตําแหน่งที่อยู่มันอยู่กับที่ใช่ไหมแต่รูปเนี่ยย้ายที่ไปแล้วเปลี่ยนแล้วแต่ความแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเกิดปัญญาเท่าไหร่เอาแต่ว่าถ้าจะพิจารณาในส่วนของรูปนะเช่นพวกพวกเลือดนะพวกเลือดพวกลมพวกที่เป็นอวัยวะภายในอะ่ะนะตับไตไส้พุงลำไส้อ่ะนะเออระบบขับถ่ายเนี่ย ตรงนี้ก็พอจะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหมดระบบเลือดไหลเวียนเห็นไหมมันก็ไม่ได้หยุดนิ่งเนาะไหลเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลมก็พัดโบกข้างในล ม, ล, มลมนุ่นลมนี่นะแล้วก็พวกอุณหภูมิในตัวความร้อนความเย็นเนี่ยมันอยู่ในตัวมันก็เปลี่ยนวู่นว่าไปหมดแล้วก็อะไรกคือทุกอย่างอ่ะไอ้ส่วนย่อยเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้ว่าเออไอ้ส่วนย่อยเนี่ยมันเปลี่ยน แต่เราก็ต้องเข้าใจซิว่าไอ้ส่วนย่อยไอ้ส่วนใหญ่มันก็มาจากส่วนย่อยนั <Això S 1> ่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อส่วนย่อยมันเปลี่ยนส่วนใหญ่มันก็ต้องเปลี่ยนแต่เพียงแต่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราถลุงดูแต่และอย่างแต่ละอย่างก็จะรู้เลยว่ามันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แต่ละอย่างอ่ะมันเกิดดับมันตายมาตลอดแหละเกิดตายเกิดตายทีนี้เมื่อส่วนย่อยส่วนเล็กๆเกิดตายเกิดตายส่วนใหญ่มันก็เกิดตายนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นมัน แต่ตรงนี้ก็พอจะมองได้เห็นได้ว่าอืร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วจิตใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วกว่าร่างกายอีกความคิดความรู้สึกอารมณ์ออะต้องถลุลุงออกมาความคิดก็อย่างหนึ่งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มโทโบโหอารมณ์ความอยากได้อยากมีความหงุดหงิดลาคาญครับแค้นใจเนี่ยเห็นไหมเป็นอารมณ์ทางใจซึ่งมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนนามธรรมมันก็เปลี่ยนรูปธรรมก็เปลี่ยนแต่เมื่อรูปธรรมกับนามธรรมมันมารวมตัวกันที่เรียกว่าเป็นเราอ่ะนี่ะก็คือเปลี่ยนตลอดเพราะนั้นวิธีการพิจารณาเพื่อให้เห็นความเกิดดับหรือความเปลี่ย น, นยจะต้องแยกพิจารณาส่วนเล็กๆของมันที่มีอยู่ในร่างกายก็จะพบว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนตลอดแล้วก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกตัวตนก็ไม่ได้ เช่นสมมุติว่าเอ้าในส่วนของของเหลวที่อยู่ในตัวเรานะะสมมติพวกปัสสาวะอย่างเนี้ยปัสสาวะเนี่ยพออยู่ในเราก็ไปยึดว่ามันเป็นของเราและเป็นเราไม่รู้ยึดเป็นเราหรือเปล่านะปัสสาวะเนาะแต่ส่วนใหญ่คงไม่น่ายึดว่าเป็นเรามั้งปัสสาวะคิดว่าเออมันเป็นน้ําเป็นน้ําฉี่แล้วก็ทิ้งไปอ่าถ้าไม่ยึดก็แล้วไปอ่าทีนี้ถ้าพูดถึงเลือดละ่ะเลือดเป็นเราไหมหรือว่าเป็นของเราบางทีอาจจะพิจารเลือดอาจจะเห็นว่าเออ ก็ผมจะลองเทดสสัญญาณนะครับพอดีรู้สึกเสียงเสียงไม่มีไม่รู้ว่าระบบมีปัญหาหรือเปล่าเอ๋อเสียงออกนะครับแต่ว่าที่หลวงพ่อถ่ายทอดอยู่เสียงไม่มีหลวงพ่อเข้ามาแล้วได้ยินไหมเอออินประสบผลสำเร็จแล้วครับสำเร็จน ะ, ะครับโอ้แสดงว่าเมื่อกี้ที่ผ่านมาทั้งหมดหลวงพ่อพูดคนเดียวโดยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยิน แต่ก็ไม่เป็นไรค่อยฟังย้อนหลังเอาเนะเาะเดี๋ยวสแสดงว่าหลวงพ่อไปปิดตรงไหนอะไรตอนนี้ชัดเจนนะชัดเจนไหมเอ่ยชัดเจนครับอโอเคโอเคแต่อินเทอร์เน็ตไม่ไม่เนี่ยขึ้นอีกแล้วว่าพวยอีกแล้วขึ้นแบบไม่สะเทียนตอนนี้สัญญาณ<อ>ดีดอยู่นะครับ ด, ดีนะ เอาหรือว่าเดี๋ยวเปิดประเด็นใหม่ก่อนไหมล่ะพเมื่อกี้หลวงพ่อคุยเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะเป็นหลายนาทีมากเลยพูดอยู่ไม่ไม่ได้ยินตั้งแต่เริ่มแรกเลยเหรออ่ะหลวงพ่อตั้งเรื่องใหม่ก็แล้วกันเนาะถ้างั้นมีพูดเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอินช่วยตั้งเรื่องให้หน่อยยอมเรื่องอะไรดี เออเมื่อกี้หลวงพ่อทวนนิดหนึ่งแล้วกันว่าก่อนเนี้ยนะหลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องเรื่องของรู้จำกับเรื่องของรู้จริงนะคือเหมือนกับว่าคนหลายๆยคนเนี่ยยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการรู้บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่จำมาแต่เข้าใจผิดนึกว่ารู้จริงนะแต่ผู้ที่เข้าถึงความรู้จริงแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าอันนั้นน่มันเป็นการรู้จำนะแต่ผู้ที่รู้จำอย่างไงก็ ยังยืนยันว่ารู้จริงเพราะเขาไม่เห็นความแตกต่างระหว่างรู้จริงกับรู้จำเรื่องนี้มันมีเรื่องของหลวงพ่อเทียนก็มีการพูดคุยกันเรื่องของเกลือนะมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเกลือมันเค็มไหมนะทีนี้บางคนนะก็บอกว่าเกลือเค็มบางคนบอกว่าตอนนี้ไม่เค็มมีตอนนี้ไม่เค็ม ทีนี้เกลือก็คือเกลือเนาะแต่คนที่ตอบมันมีสองความเห็นแต่แต่ละคนก็มีเหตุผลนะเหตุผลก็ถ้าเราฟังเราฟังคนแรกก่อนที่บอกว่าเกลือเค็มเนี่ยเหตุผลของเขาก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเคยชิมเกลือมาแล้วเคยชิมเคยกินเกลือมาแล้วแล้วเกลือเค็มนะก็เลยตอบไปตามประสบการณ์นั่นแหละว่าเกลือเค็มเออเราก็ฟังดูมันก็เออมีเหตุผลเนาะ ทีนี้แต่ไอคนที่ตอบว่าตอนนี้ไม่เค็มถ้าเราฟังแค่นี้เหมือนกับว่าตอบอยังไงว่าเกลือไม่เค็มผิดแน่ๆเลยแต่พอเขาอธิบายเหตุผลก็ลองดูเขาอธิบายเหตุผลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้มันยังไม่มีเกลือเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือไม่เค็มนี่แสดงว่าพูดสภาวะปัจจุบันขณะ เออเราก็ฟังอ๋อก็มีเหตุผลนี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่เค็มแล้วก็ไม่เค็มจริงๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เค็มตรงนี้ก็เลยเห็นความแตกต่างระหว่างคนแรกกับคนที่สองก็คือว่าคนแรกก็ตอบถูกนะว่าเกลือเค็มแต่ถูกแบบไหนถูกแบบจำมาเนี่ยแต่คนที่สองตอบถูกแบบภาคปฏิบัติเลยปัจจุบันขณะแล้วก็อย่างเนี้ยถูกกว่า ถูกต้องกว่าเพราะเหตุว่าพูดบนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบันเมื่อปัจจุบันไม่มีความรู้สึกว่าเค็มก็ต้องตอบว่าไม่เค็มก็ถูกต้องเลยส่วนคนแรกตอบแบบสัญญาจำซึ่งสัญญาไม่ใช่ความจริงนะความจริงคือปัจจุบันต้องเป็นจริงตามความเป็นจริงไม่เค็มก็คือไม่เค็มแต่คนนูน้นมันเอาจามาแล้วก็บอกว่าเค็ม ซึ่งมันก็ยังห่างไกลกันมากเลยทีนี้เราก็มาพูดถึงเทียบเคียงกับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่าไอ้คนโลกโลกโอ้ยยกให้อยู่แล้วเพราะต้องจำเนาะต้องจําแต่เขามันก็เรียนแบบโลกซึ่งก็ต้องยกให้ว่าถูกต้องเช่นอ่าไปจําไปอ่านหนังสือมาแล้วไปทําข้อสอบต้องตอบให้ตรงคําถามการตอบคําถามก็คือนั่นแหละจำมาอย่างไงก็ตอบให้ตรงอ่าเพราะมันเป็นเรื่องทางโลกแต่เรื่องทางธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโลกมันพ้นโลก เรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องความจริงที่จริงกว่าเออทีนี้พอเราพบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอาพูดถึงผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ที่รู้จำไม่น้อยเลยผู้ที่รู้จำก็คืออะไรล่ะก็จากการได้ยินนะได้ยินแล้วก็จำมาเหมือนกับว่าผ่านการได้ยินมาแล้วจากการที่เคยได้เห็นในอดีตเหมือนกับชิมเกลือนี่แหละเคยเห็นเคยพบมาแล้วก็จามาแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นความจริง แล้วก็ผู้อ่านผู้อ่านอ่านมันจะจำดิใช่ไหมพอจำมา ก, ก็คือก็จำแต่ก็ยังไม่ใช่จริงแล้วก็เกิดจากการคิดคิดคิดคิดแล้วก็เกิดความรู้คิดคิดแล้วเกิดความรู้ก็ยังไม่ใช่รู้จริงแต่มันเป็นความรู้จากการคิดเพราะฉะนั้นแหล่งความรู้เนี่ยมันก็มีหลายทางเนาะจากการได้ยินจากการฟังจากการอ่านจากการคิด จากการเคยสัมผัสในอดีตอันนี้ก็มันเป็นความรู้แต่จัดเป็นความรู้แบบจำแต่นักปัจจุบันเออนักปฏิบัติที่เข้าใจเรื่องรู้จริงที่เป็นขณะปัจจุบันก็คือคือรู้อย่างนี้ขณะมีผัจฉะเนี่ยพอมีปัสฉะปั๊บมันรู้เลยใช่พอมีผัจฉะรู้เลยแต่อันเนี้ยก็รู้แค่ยึกเดียวแล้วก็หมดไปรู้แค่จึกเดียวก็ดับไป เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันดับโดยเฉพาะทางจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะการรับรู้ของวิญญาณเนี่ยพอเช่นอ๋อกับเสียงกระทบปับ๊บพอรับรู้เสร็จดับเลยรับรู้เสร็จดับเลยซึ่งเร็วมากเสียงก็เกิดทีทๆๆอ ท, ท, ทีแต่ก็ได้ยินเป็นขณะแต่ก็เร็วมากแล้วขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยจิตยังทําวิญญาณขันเนี่ยยังทําหน้าที่รับรู้ทางตาด้วย เพราะฉะนั้นมันจะสลับระหว่างทางตากับทางหูแล้วยังไปสลับรับรู้กันทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นวิญญาณนักขันเนี่ยเกิดดับเร็วมากแต่ก็รับรู้เร็วมากรู้อย่างวิญญาณนักขันเนี่ยก็คือรู้แล้วหมดไปรู้แล้วหมดไปอันนี้ก็รู้จริงเหมือนกันแต่จริงไม่เที่ยงคือจริงมันจริงแต่เป็นจริงที่เกิดดับแต่มันมีอีกรู้หนึ่งสุดยอดโยม รู้แท้รู้จริงรู้ที่ไม่เกิดและก็ไม่ดับไอรู้อันนั้นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะอธิบายแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจไม่ได้ก็เอาเข้าใจสิ่งเกิดดับไปก่อนนะว่ารู้วิญญาณขันเนี่ยที่ทางอายตนะเนี่ยรู้แบบนี้เกิดดับแล้วก็ส่วนรู้สัญญาจำกาดอ า, นานเนี่ยนั้นก็ก็ดับอยู่แล้วบางทีก็ลืมใช่หมรู้แล้วลืมรู้แล้วลืมก็ดับเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยมาพอเราเข้าใจอย่างเนี้ย ก็ลองพิจารณาดูที่ว่าไอ้ที่เราคุยธรรมะกันเนี่ยมันเป็นแม้กระทั่งหลวงพ่อที่มาพูดเนี่ยอันนี้รู้ระดับไหนที่โยมเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับไหนหลวงพ่อก็เหมารวมเลยว่าเป็นรู้ระดับตั้งแต่ความจำความคิดการพิจารณาแล้วก็รู้จากวิญญาณขันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังที่บอกรู้ ร, รู้รู้เนี่ยอันเนี้ยรู้ปลอมหมดเลยเป็นรู้ไม่จริงแท้นะ แต่รู้จริงแท้คือรู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ที่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้เป็นรู้จริงนิ่งเป็นใบรู้แต่พูดไม่ได้นะถ้ารู้เมื่ อ, อไหรพูดได้อันนี้รู้ปลอมคือรู้ไม่จริงแต่ก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่หลวงพ่อกําลังชี้ให้เห็นความแตกต่างนะรู้ไม่จริงพูดได้เอามาเล่าได้เอามาบอกได้นะ แล้วก็เกิดดับส่วนรู้จริงรู้แท้นะรู้ที่พูดไม่ได้แล้วก็ไม่มีการปรากฏการเกิดไม่มีปรากฏการดับไม่มีสภาพที่ปรากฏว่ารู้แท้เนี่ยเป็นอย่างไรแต่รู้แท้นี้มีอยู่ทำไมจึงรู้ว่ามีอยู่เพราะมันสามารถที่จะรู้ไ อ, ไอรู้ที่เกิดดับได้นะ เห็นไหมวิญญาณขันเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับแต่รู้แท้ไม่เกิดไม่ดับจึงรู้สิ่งเกิดดับได้มันเพราะนั้นรู้แท้เนี่ยจึงอยู่เหนือมันเหนือกว่าเหนือกว่ารู้รูปลอมอ่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมาพูดถึงความทุกข์กันความทุกข์เนี่ยคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะสังขารทั้งปวงก็คือร่างกายจิตใจ แล้วก็รวมถึงเนี่ยไอ้รู้วิญญาณเนี่ยอันนี้คือทุก์หมดเลยเพราะเกิดแล้วดับไปเป็นสังขารแต่รู้แท้รู้จริงอะ่ะมันเปน็นเป็นวิสังขารคือไม่มีความปรุงแต่งแล้วทีนี้เรามามองกันเรื่องของทุกข์กความไม่เป็นทุกนะสังขารทั้งหลายเป็นทุกนี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วสังขารทั้งหลายเป็นทุกขนะแต่ถ้าไม่สังขารมันก็มันไม่เป็นทุกสิเพราะมันตรงกันข้าม ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจง่ายๆเลยเรื่องทุกข์กับความพ้นทุกข์ก็คือว่าสังขารก็มีอยู่แล้วก็คือร่างกายจิตใจนี่คือตัวทุกข์เกิดมาแล้วมันจะต้องถูกบีบคั้นทนไม่ไหวต้องแก่เจ็บตายไปหรือว่าบีบคั้นทนไม่ไหวจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเกิดดับอย่างอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ไหวมันถูกบีบคั้นเลยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง สุกเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ไหวมันก็ต้องดับไปอาการต่างๆความทุกข์ไม่สบายใจต่างๆมันก็ทนไม่ไหวมันก็ต้องดับไปแต่ไอธรรมชาติอีกอันหนึ่งเท่ว่าเป็นรู้แท้น่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีทุกข์เพราะเหตุว่ามันไม่ปรากฏตัวว่ามันเป็นอะไรนะมันไม่ปรากฏรูปพันสันต์เพราะว่าถ้าปรากฏเมื่อไหร่มันก็มาอยู่ฝั่งไอที่ปรากฏเป็นสังขารนะ ถ้ามันคิดได้เมื่อไหร่ว่ารู้แท้คิดได้เมื่อไหร่เอา้ามันก็เป็นรูปหลอมไปเลยเพราะฉะนั้นรู้แท้ๆรู้จริงอ่ะรู้แท้ๆเนี่ยจะไม่มีการเป็นอะไรเลยนะพอเป็นอย่างนี้เราก็เข้าใจดีชีวิตของเราเนี่ยเข้าใจตัวเองเนี่ยว่าไอ้ตัวเองทั้งตัวเนี่ยนะมันมีแต่ทุกข์แล้วแล้วอะไรล่ะที่มันไม่ทุกข์ก็ไอ้ตัวที่มารู้เราไงที่หลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆ บ, บ, บอกว่ารู้ตัวรู้ตัว ตัวก็คือตัวทุกใช่ไหมตัวเนี่ยคือร่างกายจิตใจเนี่ยคือตัวทุกส่วนรู้มันเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏไม่รู้อยู่ไหนไอเนี้ยมันไม่มีทุกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทุกมันก็เลยพ้นทุกเมื่อรู้ทุกมันก็ไม่เป็นทุกนี่ไงหัวใจของมันมันอยู่ตรงนี้นะขณะใดที่รู้ทุกมันพ้นทุกแต่ถ้าไม่รู้ทุกมันเป็นทุกถ้ารู้สุก มันก็ไม่เป็นสุขถ้ารู้สุขมันก็พ้นสุขเห็นไหมมันไม่เป็นสุขรวมแล้วคือรู้เนี่ยที่หลวงพ่อว่าเนี่ยรู้ที่ไม่ปรุงแต่งรู้แท้เนี่ยมันพ้นไปจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยพ้นไปจากทุกพ้นไปจากสุขพ้นไปจากสังขารนะรู้แท้อันเนี้ยเมื่อกี้ที่โยมเขาถามว่ามาพูดเรื่องจิตเดิมแท้กันดีกว่านี่แหละรู้แท้นี่แหละก็เรียกว่าจิตเดิมแท้หรือว่าจิตดั้งเดิม หรือว่าเป็นจิตที่มันไม่เกิดนะเป็นจิตที่ไม่เกิดนะแต่ถ้าสิ่งใดเกิดจิตไหนเกิดมันก็เป็นจิตเกิดถ้าจิตเกิดจิตนั้นดับแต่จิตนี้เป็นจิตที่ไม่เกิดจะเรียกว่าจิตนี้จริงๆอ่ะมันก็ไม่มีหรอกถ้ามันมีก็มันก็เป็นสิ่งที่มีสิใช่ไหมเออเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่จิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมันไม่ปรากฏว่าเป็นการเกิดเป็นยังไงมันไม่ปรากฏ แต่คุณสมบัติของจิตเดิมแท้จิตรู้จิตเดิมเนี่ยจิตไม่เกิดเนี่ยมันคือมีแต่รู้คือมันมีความรู้มันจึงรู้แจ้งรู้แจ้งโลกรู้แจ้งต่อทุกข์ทั้งหลายแต่มันไม่ได้เข้ามายึดมาถือมาปล่อยมาอะไรคือมันเป็นอิสระของมันมันได้แต่รู้นี่แหละพระพุทธเจ้าไปพบตรงนี้มาก็มาบอกพวกเราว่าเออความไม่ทุกข์มีอยู่ความทุกข์ก็มีอยู่แต่เมื่อธรรมชาติเนี่ยมันมีสองสิ่งใช่ไหมมีทุกข์กับไม่ทุกข์ แต่มันก็อยู่กันได้มันอยู่อิสระกันนะไม่ได้อะไรกันคือทําอะไรกันไม่ได้ไอ้ควายทุกจะไปทําลายไอ้ควายไม่ทุกก็ทําไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวถูกจะถูกทําลายเนาะแล้วก็ไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไม่ทุกมันมีความรู้เพราะฉะนั้นมันมันเห็นหมดมันรู้แจ้งว่าไอ้นั่นน่ยทุกเกิดแล้วไอ้นั่นทุกดับแล้วแต่มันไม่พูดนะอันนี้หลวงพ่อพูดเพื่อขยายบอกให้ฟังมันก็ได้รู้แจ้งเนี่ยรู้แจ้งอันนี้แหละรู้แจ้งอันนี้ก็บอกว่าทํา ให้รู้ยิ่งขึ้นไปอีกให้รู้แจ้งขึ้นไปอีกแจ้งอะไรเพื่อแจ้งต่อนิพพานเพราะว่าเมื่อไม่ทุกข์แล้วมันก็คือนิพพานนะมันพ้นทุกข์แล้วก็คือนิพพานเออเพราะฉะนั้น น, นิพพานเนี่ยก็คือก็คือต้องต้องรู้จักไอตัวนี้ก่อนนะรู้จักไอตัวรู้เนี่ยไอตัวรู้ที่มันไม่มีทุกข์เมื่อรู้ว่าไม่มีทุกข์มันก็จึงรู้ว่าอ๋อนิพพานคืออย่างนี้นิพพานคืออย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนิพพานมันอธิบายใครไม่ได้หรอกมันต้องผ่านต้องรู้จักไอธรรมชาติรู้ที่มัน มันพ้นทุกไปเสีย ก, ก่อนนะเมื่อรู้จักธรรมชาติที่ที่มันพ้นทุกแล้วจึงจึงรู้จักว่าอ๋อนิพานคือความไม่ทุกข์คือความพ้นไปจากทุกขพ้นจากความปรุงแต่งอ๋อมันคืออย่างนี้เองอย่างนี้ยังไงอ่ะปัจจตังแลนะครับ เ, เนี้ยมันอธิบายลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพ่อบอกแล้วบอกอีกให้รู้สึกตัวให้รู้ตัวมันก็จะพ้นจากตัวก็คือพ้นทุกหรือบางทีก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกว่าให้เห็น ให้เห็นให้เห็นอะไรก็คือให้เห็นตัวเองนะถ้าเห็นมันก็จะไม่เข้าไปเป็นการไม่เข้าไปเป็นนั่นแหละก็คือพ้นหลุดพ้นออกไปก็เป็นแต่เห็นเห็นแจ้งรู้เห็นแจ้งเห็นแจ้งอยู่เห็นแจ้งต่อทุกแต่ไม่เป็นหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าถ้าเห็นทุกก็ไม่เป็นทุกขเห็นสุขก็ไม่เป็นสุขอ่าเห็นโกรธก็ไม่เป็นโกรธเห็นอะไรคือไม่เป็นหมดเลยวันก่อนหลวงพ่อก็ยกตัวอย่างแบบง่ายๆไงเออง่ายๆว่าการเห็นเนี่ยมันพ้นหมดแหละ ทีนี้หลวงพ่อก็ยกตัวอย่างแบบการเห็นที่ง่ายๆว่ามันพ้นยังไงเราบอกว่าดูไปดูหมาดิเห็นหมาแล้วเราเป็นหมาไหมอ่ะอเห็นวัวเราเป็นวัวไหมอ่ะทุกคนก็ตอบได้ไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยที่มันไม่เป็นก็เพราะว่าไปเห็นมันไงไปเหตุไปเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นเนี่ยมันต้องไม่เป็นสิ่งถูกเห็นแน่นอนเพราะมันเป็นเป็นธรรมชคนละประเภทกันนะประเภทที่ถูกเห็นก็อย่างหนึ่งประเภทที่เห็นก็อย่างหนึ่ง ทีนี้ยอมดูนะถ้าเห็นหมาไม่เป็นหมาเนาะเห็นวัวไม่เป็นวัวเห็นอะไรเห็นต้นไม้ก็ไม่เป็นต้นไม้เห็นภูเขาก็ไม่เป็นต้นไม้อ่าไอทำไมมันไม่เป็นอ่ะเพราะมันเห็นมาตั้งแต่เกิดไงมันเห็นมาตั้งแต่นู่นแล้วมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นกับสิ่งที่ถูกเห็นแต่การเห็นตัวเองเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยเพราะมัวแต่เห็นหมาเห็นวัวอยู่เห็นต้นไม้เห็นภูเขาก็เลยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นสังขารเลยมันก็เข้าไปเป็นสังขาร ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยรู้ตัวที่เห็นตัวเองดิถ้าเห็นเมื่อไหร่มันก็จะพ้นจากตัวเองนะเพราะตัวเองเนี่ยตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับหมาแหละเออพอตัวเราถูกเห็นปั๊บเอ้าตัวเราก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่เดินไปเดินมาเหมือนเลยเหมือนเป๊ะเลยอ่าแต่ตัวเห็นมันไม่มีตัวมันก็เลยพ้นไปจากตัวเองอ่าแล้วตัวเองเป็นไงตัวเองก็ตัวเราเนี่ยก็เป็นทุกข์ใช่ไหมมีการเกิดแก่เจ็บตายป่วยอะไรเนี้ย แต่ถ้าเห็นตัวเองเท่ า, ากับว่าเห็นทุกข์มันก็เลยพ้นทุกข์อ่าก็แปลว่าถ้าเห็นถ้าเห็นตัวเองนะคำว่าตัวเองก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเองเอะเนาะทั้งทางความสุขความทุกข์าการเดินการนั่งการนอนการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นอย่างเนี้ยมันก็จะไม่เข้ามาเป็นนะไม่เข้ามาเป็นอะไรเลยที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดนี่เขาเรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากจากทุกข์ทั้งปวง พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์กับความหลุดพ้นแนหะก็คือแค่นี้เองแล้วเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันรู้สิหลุดพ้นแล้วเมื่อก่อนมันไม่หลุดพ้นมันก็รู้ว่ายังเป็นทุกข์ใช่ไหมตอนนี้รู้ว่าเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วมันก็รู้แจ้งเลยว่าเอา้าพ้นแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ยความหมายของมันก็คือทุกข์ยังมีอยู่ทุกข์ของร่างกายถ้ายัางขันห้า ย, ยังไม่แตกดับเนาะยังปวดยังร้อนยังหิวยังมีอยู่เหมือนเดิมอ่ะถ้าตากแดดมันก็ร้อนเหมือนเดิม ถ้โดนความเย็นเย็นมันก็เย็นเหมือนเดิมทําให้กินข้าวมันก็หิวเหมือนเดิมนะถ้ามีอะไรมาที่มแข้งที่มขามันก็ยังเจ็บเหมือนเดิมแต่ด้วยปัญญาอันสูงสุดรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ยึดถือไอความทุกข์พวกเนี้จึงได้แต่รู้ได้แต่เห็นเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดว่าเออถ้าปฏิบัติธรรมแล้วนะจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนะไอสังขารนะ่ยยังอยู่เหมือนเดิมเกิดแล้วหมดไปเหมือนเดิมแต่ ปัญญาขั้นสูงสุดเนี่ยถึงขั้นรู้แจ้งเห็นแจ้งเนี่ยไม่ได้ยึดถือแล้วเพราะฉะนั้นไอสังขารมันตายก็ตายไปส่วนเดียวคือตายก็ตายไปแต่ผู้รู้แจ้งผู้เห็นแจ้งอะไม่ได้ตายด้วยไม่ได้ตามไปด้วยเพราะไม่ได้ยึดถือสิ่งที่ตายก็เลยไม่ต้องตายไปกับมันอันนี้เขาเรียกว่าไม่ตายพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่ก็พ้นได้โดยวิธีประการชนี เออไม่ใช่ว่าตัวเราต้องหลุดพ้นอะไรตัวเราเป็นของตายก็ต้องตายไปตัวเราเนี้ยที่เรียกว่าตัวเราอนะแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราไม่ได้ตายไปกับเราเออมันก็จึงเป็นอิสระเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดพองแล้วก็ไม่ต้องมายึดอะไรแล้วคือเป็ น, นเข้าเป็นนิพานไปเลยเป็นบรมมาสุขไปเลยที่เรียกว่าบรมมาสุขคือพ้นจากทุกข์พ้นจากสุขพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันพ้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบรมมาสุข เนาะหลวงพ่อก็ลําดับมาก็น่าจะเป็นแผนที่ที่จะทําให้เข้าใจได้อส่วนวิธีปฏิบัติก็คือ น, นี่แหละรู้สึกตัวโยมเลยเพียรได้มากอะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้รู้ตัวให้เห็นตัวเนี่ยพ้นทั้งนั้นแหละถ้าเข้าใจแจ้งอะเนาะแต่ตอนเนี้ยกําลังเหมือนกับกําลังทําความเข้าใจอยู่ยังไม่แจ้งก็ก็ฟังแล้วก็ไปฝึกให้รู้ตัวเองก็หลายคนเนี่ยเริ่มรู้ตัวเองเป็นแล้วเนี่ยว่าอ๋อตัวเองเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับขึ้นมาถามพอขึ้นมาถามปั๊บ หลวงพ่อทักจึกเลยใครมาถามอ่ะพอพูดแค่นี้ปั๊บเห็นตัวเองเลยพอเห็นตัวเองพับโผล่เลยวางเลยไม่ยึดถือเพราะว่ามันรู้จักนี่ว่าไอ้ตัวเองเป็นสิ่งถูกเห็นแต่การเห็นเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วก็เลยเห็นเห็นแล้วไม่ยึดผมไม่ยึดปั๊บโผล่เลยความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนความเป็นคนหายจ้อยเลยก็เหลือแต่ร่างกายเหลือแต่คำพูดยังถามต่อไปได้แต่มันเป็นสังขารมันไม่ใช่เราละ